ภาคหนึ่งการสร้างความเข้าใจบทนำการฟังหรือการอ่านถ้าเชื่อทันทีเรียกว่างมงาย ถ้ปฏิเสธทันทีเรียกว่าขาดประโยชน์ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนโดยการพิสูจน์ทดสอบฝึกฝนที่ใจตนให้กระจ่างก่อนว่าคืออะไรอย่าโอ้อวดว่าเราเก่งกว่าผู้อื่นวิเศษกว่าผู้อื่นอย่าโอ้อวดว่าเราดีกว่าผู้อื่นสูงกว่าผู้อื่น ศาสนาพทดสอนอะไรศาสนาสอนให้ดับทุกข์ที่ตนเองเมื่อดับทุกข์หรือแก้ปัญหาทุกข์ที่ตนได้พอสมควรจนกระจางแล้วจึงเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นบ้างบางโอกาสตามกำลังถ้าตนเองไม่กระจางจริงไม่สามารถพิสูจน์ทดสอบ หรือไม่สามารถยืนยันตนตามสภาวะที่ตนเป็นจริงๆแล้วไปแนะนำผู้อื่นเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดศาสนาสอนเรื่องการดาเนินชีวิตของคนให้ตนเองดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขมีสันติภาพศาสนาสอนเรื่องการแก้ปัญหาความทุกข์กายความทุกข์ทางใจให้ลดน้อยลงตามลำดับ ใจเป็นทุกข์คือนรกใจเป็นสุขคือสวรรค์ใจที่อยู่เหนือสุขและทุกข์ทั้งมวลคือสภาวะนิพพานนิพพานชั่วครา ว, ค, ว, าา ว, าาวคือใจว่างจากทุกข์ชั่วขณะหนึ่งนิพพานถาวรคือใจว่างจากทุกข์ถาวรมนุษย์ทุกวันนี้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ มุนเวียนกันอยู่ในทะเลทุกอย่างนี้ชั่วนิรันดร์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งทุกเท่านั้นที่ดับสลายหายไปเมื่อไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับจิตก็จะว่างเปล่าโปร่งเบาปราศจากอารมณ์ของทุกขปรชนิด ฝึทางจิตการฝึกฝนทางจิตหมายถึงการมีสติปัญญาที่จะปล่อยวางความทุกข์ออกจากจิตหรือใจจงมีสติปัญญาคอยสังเกตความเคลื่อนไหวทางจิตความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆและอารมณ์ทุกชนิดอยู่ทุกขณะที่เกิดขึ้นในใจจงดูจิตเคลื่อนไหวเหมือนดูหนังดูละคร แต่เราอย่าเข้าไปร่วมเล่นหนังเล่นละครร่วมกับจิตคอยเฝ้าดูจิตที่กำลังเกิดอยู่ทุกขณะที่เกิดจงดูจิตเคลื่อนไหวดูความเป็นไปของจิตด้วยความวางเฉยอย่าหวั่นไหวอย่าคล้อยตามความเป็นไปของจิตอย่าเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับจิตจิตไม่มีตัวตนเป็นเพียงสภาพมายาเกิดเกิดกับดับ แต่สามารถกลิ้งกรอกหยอกล้อให้คล้อยตามจิตที่เกิดทำให้ทุกเกิดกับเราเมื่อเรามีอารมณ์ร่วมตามมาันจิตเป็นเพียงสภาพมายาธาตุมายาธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นถ้าเราไม่แปลกปรนไปตามมันหรือมีสติรู้เท่าทันมันอยู่ทุกทุขณะเราก็จะเป็นอิสระอยู่ไม่ถูกมันจุดกระชากากไป สติคือตัวรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ว่ามีความคิดมีอารมณ์หรืออาการทางใจลักษณะต่างๆที่ก่อเกิดอยู่ในใจสัมปชัญญะคือการทําความรู้สึกตัวเพื่อออกจากความคิดและอารมณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ก่อเกิดอยู่ในใจ คืออะไรรูปคือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่ไม่สามารถรู้ตัวเองได้จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เข้าไปรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรและสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรอย่างไรเช่นจากระวานนี้คือรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เพราะจากระวานรู้ตัวเองไม่ได้ มีมนุษย์หรือคนเข้าไปรู้ว่าเป็นจักรวาลและสมมติบัญญัติตั้งชื่อเรียกว่าจักรวาลจักรวาล น, นี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปดวงดาวต่างๆและโลกเรานี้เรียกว่ารูปหรือสิ่งที่ถูกรู้เพราะรู้ตัวมันเองไม่ได้มีมนุษย์หรือคนเข้าไปรู้ว่าเป็นดวงดาวต่างๆ อากาศธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟเรียกว่ารูปหรือสิ่งที่ถูกรู้เพราะรู้ตัวมันเองไม่ได้เช่นกันมีมนุษย์หรือคนเข้าไปรู้ว่าเป็นอากาศธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟต้นไม้แร่ธาตต้นพืชสัตว์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทุกชนิดเรียกว่ารูปหรือสิ่งที่ถูกรู้เพราะรู้ตัวเองไม่ได้มีมนุษย์หรือคนเข้าไปรู้จักและตั้งชื่อบัญญัติชื่อสมมติชื่อเรียกชื่อนามคืออะไร นามคือธาตรู้จิตรู้วิญญาณรู้หรือความรู้สึกรับรู้ที่มีอยู่ในมนุษย์หรือคนหรือสัตว์ต่างๆเช่นจิตคนไปรู้เรื่องจักรวาลไปตั้งชื่อเรียกว่าจักรวาลจักรวาลจึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือรูปมนุษย์หรือคนหรือธาตรู้ หรือจิตรู้หรือวิญญาณรู้ที่มีอยู่ในคนที่ไปรู้เรื่องของจักรวาลและตั้งชื่อเรียกว่าจักรวาลจึงเป็นสิ่งรู้หรือธาตรู้หรือจิตรู้หรือวิญญาณรู้เรียกว่านามดวงดาวต่างๆและโลกเรานี้มันรู้ตัวมันเองไม่ได้จึงจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูป มนุษย์หรือคนหรือธาตุรู้หรือจิตรู้หรือวิญญาณรู้ที่มีอยู่ในคนที่ไปรู้เรื่องของดวงดาวต่างๆและเรื่องของโลกนี้และตั้งชื่อเรียกดวงดาวต่างๆและตั้งชื่อเรียกโลกนี้มนุษย์หรือคนจึงเป็นสิ่งรู้หรือธาตุรู้หรือจิตรู้หรือวิญญาณรู้เรียกว่านาม อวกาศธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสิ่งเหล่านี้มันรู้ตัวมันเองไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งที่ถูกรู้หรือรูปมนุษย์หรือคนหรือจิตรู้หรือธาตุรู้หรือวิญญาณรู้ที่มีอยู่ในคนเข้าไปเป็นผู้รู้เรื่องอวกาศธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งรู้หรือนามต้นไม้ต้นพืชแร่ธาตุสัตต่างๆและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกชนิดมันรู้ตัวมันเองไม่ได้จึงจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปมนุษย์หรือคนหรือจิตรู้ธาตุรู้วิญญาณรู้ที่มีอยู่ในคน เป็นผู้รู้เรื่องดังกล่าวข้างต้นซึ่งจัดเป็นสิ่งรู้หรือนามรูปกายหรือร่างกายของคนที่ประกอบด้วยธาตุบินน้ามลมไฟ หรือรูปกายร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารน้ําอากาศจัดเป็นสสารหรือวัตถุธาตุที่ไม่มีชีวิตที่ไม่สามารถรู้จักตัวเองได้จึงเรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปจิตรู้หรือธาตรู้หรือวิญญาณรู้ที่ก่อเกิดอยู่ในร่างกายของคน ก่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้เข้าไปรู้เกี่ยวกับรูปกายของคนระบบของร่างกายคนส่วนประกอบของระบบร่างกายคนทุกชนิดจัดเรียกว่าสิ่งรู้หรือเรียกว่านามรูปกายร่างกายจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือรูปจิตรู้ที่เข้าไปรู้เรื่องกายจัดเป็นสิ่งรู้หรือนาม กายเป็นรูปจิตรู้กายเป็นนามความนึกคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาในใจหรือในความรู้สึกของเราจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปเพราะความนึกคิด รือจิตนึกคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาในใจของเราช่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปจิตนึกคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาช่วขณะหนึ่งนั้นมันรู้ตัวมันเองไม่ได้แต่จะมีจิตรู้หรือธาตุรู้อีกตัวหนึ่งก่อเกิดซ้อนต่อจากความนึกคิดตัวแรกว่าเมื่อสักครู่คิดอะไรหรือคิดเรื่องอะไรความนึกคิดตัวแรกจิตนึกคิดตัวแรกจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ หรือเรียกว่ารูปจิตรู้ที่ก่อเกิดช้อนต่อจากจิตนึกคิดตัวแรกที่เกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดอะไรจิตรู้ตัวหลังนี้จะเรียกเป็นสิ่งรู้หรือธาตรู้หรือนามเกิดความรู้สึกโกรธหรือเกิดจิตโกรธก่อเกิดขึ้นมาในใจหรือในความรู้สึกของเราความรู้สึกโกรธ หจิตโกรธที่ก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะว่าจิตโกรธที่ก่อเกิดขึ้นมามันรู้ตัวมันเองไม่ได้จึงจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปจิตรู้หรือธาตรุรู้ที่ก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่เกิดจิตโกรธเกิดความรู้สึกโกรธ จิตรู้หรือธาตุรู้ตัวหลังนี้จะเรียกเป็นสิ่งรู้หรือเรียกว่านามเกิดความนึกคิดแล้วเกิดอารมณ์โกรธต่อเนื่องจากความนึกคิดตัวแรกจิตนึกคิดและความโกรธของจิตกลุ่มนี้จะเรียกเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปมีจิตรู้หรือธาตุรู้อีกตัวหนึ่งก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดแล้วเกิดอารมณ์โกรธ จิตรู้หรือธาตุรู้ตัวหลังนี้จัดเป็นสิ่งรู้หรือนานคิดแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศต่อเนื่องจากความนึกคิดตัวแรกจิตนึกคิดและอารมณ์ทางเพศของจิตกลุ่มนี้จัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปจิตรู้หรือธาตุรู้ที่ก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศจิตรู้หรือธาตุรู้ตัวหลังนี้ จัดเป็นสิ่งรู้หรือเรียกว่านามคิดแล้วเกิดความรู้สึกชอบใจและไม่ชอบใจจิตกลุ่มนี้ก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปจิตรู้หรือธาตรู้ที่ก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดแล้วเกิดรู้สึกไม่ชอบใจหรือชอบใจ จิตรู้หรือธาตุรู้ตัวหลังนี้จัดเป็นสิ่งรู้หรือเรียกว่านามคิดแล้วเครียดหรือเกิดความรู้สึกเครียดก็เกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปจิตกลุ่มนี้จัดเรียกเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปจิตรู้หรือธาตุรู้ที่ก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมือ่อสักครู่คิดแล้วเครียดเกิดความรู้สึกเครียด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 จิตรู้หรือธาตุรู้เหล่านี้เรียกว่าสิ่งรู้หรือเรียกว่านามจิตลักษณะต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปจิตลักษณะต่างๆเหล่านี้จัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่าโรปจิตรู้หรือธาตุรู้ที่ก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่เกิดจิตลักษณะใดบ้าง จิตรู้รืธาตุรู้กลุ่มหลังนี้เรียกว่าสิ่งรู้หรือเรียกว่านามท่านจะเห็นว่าวัตถุธาตุทั้งหลายตั้งแต่ระบบสุริยะจักรวาลทุกจักรวาลรวมทั้งโลกที่เราอาศัยนี้ด้วยล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้ หรือเรียกว่ารูปรูปกายร่างกายระบบของร่างกายทุกชนิดความเป็นไปของระบบร่างกายทุกชนิดล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปความรู้สึกทุกชนิดความจําทุกชนิดความนึกคิดทุกชนิดอารมณ er ์ทุกชนิดที่ก่อเกิดขึ้นมาล้วนจัดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเรียกว่ารูปแต่เป็นรูปที่อยู่ในฝ่ายนามธรรม หรือเป็นรูปหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่ก่อเกิดตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปอยู่ในใจคนจิตรู้หรือธาตุรู้หรือวิญญาณรู้ที่ก่อเกิดอยู่ในใจคนจัดเป็นสิ่งรู้หรือเรียกว่านานวัตถุธาตุหรือรูปาธาตุทั้งหลายก่อเกิดขึ้นมาตั้งอยู่นานหน่อยแล้วก็ดับสลายหายไป แต่รูปฝ่ายนามาธาตุหรือฝ่ายนามธรรมเช่นความรู้สึกชนิดต่างๆความจำเรื่องต่างๆความนึกคิดชนิดต่างๆอารมณ์ชนิดต่างๆล้วนจัดเป็นรูปหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่ก่อเกิดขึ้นมาชั่วระยะสั้นๆช่วขณะจิตหนึ่งแล้วดับสลายหายไปรูปฝ่ายวัตถุาธาตุทุกชนิดก่อเกิดขึ้นมาช่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็ดับสลายหายไปรูปฝ่ายนามธาตุหรือนามธรรมทุกชนิดก่อเกิดขึ้นมาช่วขนาดจิตหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไปไม่มีรูปฝ่ายวัตถุธาตุชนิดใดๆที่ก่อเกิดขึ้นมาแล้วช่วระยะเวลาหนึ่งจะไม่แตกดับจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่สลายหายไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุที่เรียกว่าโลกวัตถุธาตุที่เรียกว่าจั ก, กรวาล วัตถุธาตุที่เรียกว่าต้นไม้ต้นพืชวัตถุธาตุที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟวัตถุธาตุที่เรียกว่ารูปกายคนร่างกายคนระบบของร่างกายคนและสัตว์ทุกชนิดล้ดวนแต่ก่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วระยะเวลาที่ตั้งอยู่ก็ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการของมัน ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วในที่สุดก็แตกดับสลายหายไปรูปฝ่ายนามธาตุหรือนามธรรมหรือสิ่งที่ถูกรู้อยู่ในฝ่ายของนามธรรมเช่นความรู้สึกเห็นเห็นนั่นเห็นนี่ จิตรู้สึกเห็นเกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไปเกิดโดยอาศัยผ่านทางระบบประสาท ต, ตาเช่นรู้สึกได้ยินได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้จิตรู้สึกได้ยินเกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วดับสลายหายไปเกิดโดยอาศัยผ่านทางระบบประสาทหูเช่นรู้สึกได้กลิ่น ได้กลิ่นจากวัตถุธาตุต่างๆได้กลิ่นจากสารสารต่างๆได้กลิ่นจากพลังงานต่างๆเกิดขึ้นมาช่วขนาดจิตหนึ่งแล้วดับสลายหายไปเกิดโดยอาศัยผ่านทางระบบประสาทจมูกเช่นรู้สึกสัมผัสเสียดสีทางกายสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสัมผัสอ่อนสัมผัสแข็งสัมผัสเจ็บจิตรู้สึกสัมผัสเกิดขึ้นมาช่วขนาดจิตหนึ่ง ระดับสลายหายไปเกิดโดยอาศัยผ่านทางระบบประสาทผิวกายเช่นจิตนึกคิดต่างๆก็เกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งระดับสลายหายไปคิดแล้วจางหายไปแล้วก็เกิดกลับมาคิดใหม่อีกวนเกิดว น, นดับทางความนึกคิดอยู่อย่างนั้นเช่นอารมณ์ชนิดต่างๆก็เกิดขึ้นมาชั่วขณะอารมณ์จิตหนึ่งแดับสลายหายไป เกิดอารมณ์ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปแล้วก่อเกิดอารมณ์ตัวใหม่ขึ้นมาอีกอารมณ์เวียนเกิดเวียนดับอยู่อย่างนั้นทั้งรูปรู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายล้วนก่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ชั่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วในขณะที่ตั้งอยู่นั้นก็กอเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการของมันในขณะที่ตั้งอยู่นั้นก็กอเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วในที่สุดก็แตกสลายดับหายไปไม่มีอะไรที่คงที่ถาวร อ, อยู่ได้แม้แต่อย่างเดียวรูปฝ่ายวัตถุธาตุเปลี่ยนแปลงช้าหน่อยแตกสลายช้าหน่อยแต่รูปฝ่ายนามธาตุ หรือไหวนามธรมเป็นความนึกค enfin ิดต่างๆอารมณ์ชนิตต่างๆความรู้สึกชนิดต่างๆล้วนก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตนึกคิดขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วดับจางหายไปล้วนก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะอารมณ์จิตขณะหนึ่งแล้วดับจางหายไปล้วนก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะความรู้สึกทางจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วดับจางหายไป นันเป็นรูปฝ่ายนามธรรมาหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ฝ่ายนามธรรมา ท, ที่ก่อเกิดขึ้นมาแต่ละชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วจางหายไปแล้วก่อเกิดจิตลักษณะใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกแล้วจางสลายหายไปอีกวนเวียนเกิดจิตลักษณะต่างๆอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้นเช่นเกิดความนึกคิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่ง แล้วจางหายสลายไปแล้วก็ก่อเกิดความนึกคิดตัวใหม่เกิดซ้อนขึ้นมาอีกเช่นเกิดความนึกคิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึง่งแลดับหายไปแล้วก็ก่อเกิดอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เกิดต่อนเนื่องจากความนึกคิดตัวแรกวนเวียนเกิดวนเวียนดับอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นถ้าไม่มีจิตรู้ธาตุรู้ หรือวิ ญ, ญญาณรู้ที่ก่อเกิดรู้อยู่ในคนเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อสักครู่คิดอะไรคิดเรื่องอะไรเมื่อสักครู่เกิดอารมณ์อะไรเมื่อสักครูรระะคร่รู้สึกอย่างไรเช่นจิตนึกคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะมีจิตรู้หรือธาตรู้อีกตัวหนึ่งเกิดซ้อนต่อจากความนึกคิดตัวแรกเกิดขึ้นมารู้ว่า เมื่อสักครู่คิดถึงคนนั้นคนนี้คือจิตนึกคิดตัวแรกมันจะไม่รู้ตัวมันเองแต่จะมีจิตรู้ตัวหลังก่อเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วท่านจะมองเห็นว่าพิจารณาเห็นว่าความนึกคิดตัวแรกก็ดีจิตรู้ที่ก่อเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่คิดอะไรก็ดีจิตตัวที่เป็นความนึกคิด เกิดแล้วก็ดับไปจิตรู้ที่เกิดขึ้นมารู้ว่าคิดอะไรเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเช่นอารมณ์โกรธที่ก่อเกิดขึ้นมาชั่วขณะอารมณ์จิตหนึ่งและจางหายดับไปแล้วก็จะมีจิตรู้หรือธาตุรู้อีกตัวหนึ่งก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอารมณ์โกรธคืออารมณ์โกรธตัวแรกมันจะไม่รู้ตัวมันเอง แต่จะมีจิตรู้หรือธาตุรู้อีกตัวหนึ่งก่อเกิดซ้อนขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอารมณ์โกรธแล้วท่านจะมองเห็นว่าหรือพิจารณาเห็นว่าอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นตัวแรกก็ดีจิตรู้ที่ก่อเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่เกิดอารมณ์อะไรก็ดีอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งเกิดแล้วก็ดับสลายไป จิตรู้ที่ก่อเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อสักครู่เกิดอารมณ์อะไรเกิดมารู้แล้วก็ดับไปเหมือนกันจิตลักษณะอะไรอื่นใดก็เหมือนกันที่ก่อเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดับสลายหายไปหมดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจิตฝ่ายที่ถูกเรียกว่ารูปก็ดีไม่ว่าจะเป็นจิตฝ่ายที่ถูกเรียกว่านามก็ดีทั้งสองฝ่าย ล้วนแล้วแต่ก่อเกิดขึ้นมาแต่ละชั่วขณะจิตหนึง่งขณะจิตหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดับสลายหายไปเหมือนกันหามีตัวตนจริง่างไม่แต่เราผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงกลับหลงผิดไปจากความเป็นจริงหลงเข้าไปยึดถือเอาทั้งรูปทั้งนามที่เกิดขึ้นมาแต่ละชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งทำให้เราเป็นทุกข์เป็นทาตของรูปนามเหล่านั้นอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้น เราต้องปล่อยต้องวางรูปนามเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากใจของเราไปถ้าเราเข้าไปยึดถืออะไรเป็นจริงเป็นจังเราก็จะทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นเราก็จะทุกข์อยู่กับอันนั้นทั้งรูปและนามล้วนเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการของมันอยู่อย่างนั้นหามีใครเป็นเจ้าของไม่เช่นรูปกายร่างกาย ระบบของร่างกายล้วนก่อเกิดขึ้นมาและตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปตามกระบวนการของมันถามีใครบังคับได้ไหมเช่นความนึกคิดที่เกิดขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วดับสลายหายไปเช่นกันเช่นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาชั่วขณะอารมณ์จิตหนึ่งจิตมนแล้วก็สลายหายไปเช่นกัน หามีใครเป็นเจ้าของไม่เมื่อเราเฝ้าพิจารณาอย่างละเอียดละ อ, อ่และทําความเข้าใจอย่างทะลุปลุกปลงแล้วเราจะเห็นว่ารูปทั้งหลายก็ดีนามทั้งหลายก็ดีล้วนแต่เกิดเกิดดับๆับอยู่อย่างหามมีอะไรจริงจังเที่ยงแท้ไหมยึดอะไรอยู่ก็จะทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นถ้ามนุษย์วางทั้งรูปวางทั้งนาม เหลืออะไรเอ่ยเรามีหน้าที่อะไรในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ทำให้เต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามเมื่อทำเสร็จทุกอย่างดังกล่าวแล้วก็วางไปจากใจ